คุยกันเสร็จหรือยังอืมมันไม่ใช่เวลาคุยเพราะเราแ ย, ยกไม่ออกเราไม่เคารพโบรานทุกวันนี้ฟังเทศฟังธรรมฟังเป็นเหมือนฟังดูหนังฟังเพลงฟังละครไปงั้นนะมันถึงไม่ค่อยได้อะไรพระเทพก็ตลกวกคาชอบไปงั้นชอบพูดห ว, วานๆเพราะวา แต่คำของผู้ที่เจ้านี่ไม่ค่อยเข้าหูวันนี้ไม่พูนมากผู้แค่สามคำสามประโยคสามเรื่องมันก็ลงละพะนักก็ทนฟังเลยนะเผื่อฟังแล้วคิดได้เผื่อฟังแล้วเป็นประโยชน์เผื่อฟังแล้วมีสติขึ้น คำว่ามีสติขึ้นเนี่ยพวกเราเข้าใจยังไงแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองว่าทําไมถึงบอกให้มีสติที่ผ่านมาเราไม่มีสติด้วยยังไเงเทานวันนี้เรามไปจะสรปว่าจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือบอกสอนพวกเราที่ผ่านมาโดยประมวลเป็นภาษาเราง่ายๆนะไมต้องเป็นภาษาบาลี มีมันจะยกบาลีขึ้นมานการแสดงว่าพูดภาษาไทยภาษาเราเน้วยนอกจากพูดภาษาบาลีคำไทยแปลไทยคำถ้าแปลง่ายๆก็คือ 1. นึ่งู้เชี่สอนอะไรผู้เชี่สอนความจริง 2. ส, สอนเรื่องอะไรความจริงนั้นเป็นประโยชน์มั้ย คือมีประโยชน์ไหมข้อสามก็คือเมื่อรู้ว่ามันเป็นความจริงมารู้ว่ามันมีประโยชน์ต่อไปที่เราจะต้องฝึกคือสติตัวสุดท้ายสำคัญมาดู่าข้อแรกพระพุทธเจ้าสอนสอนความจริงในตำราที่บอกอริยะสาัจสีแล้วก็ทัางเป็นนกแก้วนกคุณทองอธิบายกันสอนนักทรรีโตเอก แล้วความจริงมันคืออะไรแต่ที่สาคัญทุวันนี้เราอยู่กับความจริงไหมหมายถึงพวกเราทุกคนทักทวเนนียอยู่กับความจริงไหมถ้าอยู่กับความจริงและ ย, ยอมรับความจริงได้ไหมยอย่างวันนี้นี่ต้องเรียกรุ่นคุณยายละปุณปาละผู้ชยาสตราจารย์เข้าพันธมาในวัยที่แปดสิบห้า นี่คือความจริงคูเชสอนความจริงก็คืออันนี้เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่สิ่งที่ครูเชสอนเรียกว่าประเภทโหมดหมู่ที่ครูเชร์สอนเราถำไปบ้างคือเนื้อหาสาระขอบเขตความปัญหาคืออันนี้ถ้าถามว่าความจริงอันนี้เราอยอมรับได้ไหมแล้วยอมรับเราเข้าใจไหมเรื้อว่าเกิดคืออะไรแก่คืออะไร เกบคืออตายคืออะไรแล้วมันมีผลอะไรต่อชีวิตของเราเห็นไหมมันเป็นกระบวนการมัได้สั้นๆแค่คํานี้คําเดียวความจริงแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงก็คือปฏิเสธนัน่ไม่อยู่กับความจริงก็เท่ากับอยู่กับความเท็จอยู่คำหลอกลวงมันจะตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ไม่นจะพัวพระพุทธเจ้าแล้วเพราพระพุทธเจ้าสอนความจริงอย่างนี้ สับปะสิ่งสับปสัตว์ทั้งหลายแหล่สัพปะสิ่งก็คือสิ่งที่มันมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณสับปสัตว์ก็เหมือนพวกเราทุกคนมีชีวิตแล้วก็มีวิญญาณอันนี้คือสภาพที่เป็นเรียกว่าโลกของพวกเราอยู่กันอย่างนี้สับปะสิ่งนั้นเยอะสับปสัตว์ก็มีไม่ได้เยอะถ้าเป็นคนรประชากรมนุษย์โล ก, กประมาณแปด0ัล้านคนทั่วทุกโลก มีคนแค่นี้ส่วนสัพเพสตาก็คือต่ํากว่าคนต่ำกำว่ามนุษย์เนี่ยนับไม่ท่วนนับไม่ได้อันนี้คือความจริงแล้วทำยังไงถึงจะรับประโยชน์ข้อที่สองคือทํำยังไงที่รับประโยชน์จากการเกิดการแก่การเจ็บการตายพูดยังไงก็ไม่เกิดฟรีตายฟรีทาอย่างไร อย่างนั้นไมเกิดผีตายผีเหมือนช้างมา้าวัวควายหมูม้ากาไก่เป็นสิ่งในชีวิตเหมือนพวกเราหมดทุกอย่างแต่ว่าทําความดีอย่างพวกเราไม่ได้พวกเราคือมนุษย์คือคนนี่คือข้อแตกตา่างทำไมถึงบอกมนุษย์ถึงบอกสูงกว่าก็เพราะว่าตัว น, นี้แหละมณ ะ, ะ, ะอุตสาคือใจสูงใจสูงกว่าพวกนี้ใจสูงตรงไหน กลับมาดูข้อแรกกูจะสอนความจริงเมื่อกี้รบายพระคือพระธนตนใจคือคนของพระพุทธเจ้าต้องใช้ว่าคนพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของพระอริยะสงฆ์อันนี้ก็ต้องเน้นวนะ่าพระอริยะสงฆ์เดี๋ยวเราจะอยเข้าใจผิดอีกรือถ้าพระสง์ธรรมดาผู้ทุชนธรรมดาก็ไปลงตีดพระว่าพระไม่ดีไม่นับถือ นับถือแค่สองอย่างก็พอคือพูดกับว่าทำเพราะว่าสองทำตัวไม่ดีอันนี้คือพระปุถุชนที่เราพูดหมายถึงพระอริยะสองคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแลแ้วพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้ว น, นั่นคือว่าสังขังสัน า, กานักฉาบนี้อันนี้สมมติสมมติที่สองเกิดบนพูกเราเนี่ยคนนี้ก็มีลูกหลา น, นเอาไปบวชเอาพระเหลืองมะขวมงก็เป็นพระสมมุติแปลว่าอะไรแปลว่าอ๋พระเหลืองมะขวมงเป็นพระดีเลยทันทีเลย มันไม่ใช่มันไม่ดีที่พาเหลือยงเนี่ยก็สมมติสมทีนี้ทํำยังไงข้อที่สองรู้ว่ามันเป็นประโยชน์เรื่องนี้มี ป, ประโยชน์ก็คือพุทังตนังกัตเทามังสังขังเป็นประโยชน์นะ เ, เป็นประโยชน์ที่สำคัญก็ต่อไปข้อสามก็คือสติทอย่างไรถ้าอยู่จะมีสติเราเข้าใจก่อนว่าสติมันคืออะไร ถ้ารยังมองไม่ออกก็จะมองเป็นภาพรวมภาพกว้างก่อนในขณะที่คนเรามีชีวิตอยู่เหมือนคุณยายพอพันยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าอยู่กับโลกกับธรรมก็คือฝ่ายหนึ่งอยู่กับโลกฝ่ายหนึ่งก็อยู่กับธรรมวันนี้ต้องถามว่าความจรงิงโลกกับธรรมทวนเราอยู่กับอะไรมากกว่ากัน เอาแค่ห้าสิบห้าสิบสมดุลกันมีมัม้ยถ้ า, าอะไรยังเลือกไม่ออกก็เรามาถามด้วยว่าโลกคืออะไรทำคืออะไรโลกอยู่ยังไงทำอยู่ยังไงโลกก็อย่างที่พวกเราอยู่ยนะี่แหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดขึ้นมาก็เรียนหนังสือเรียนเสร็จจบก็ทํางานแต่งงา น, นมุดโคลนลูกเต้าเหลาล้านทํางานเต็มที่เวลาสุดท้าย เป้าหมายคืออะไรไม่ว่าจะจะเรียกว่าอาชีพหน้าที่การงานทำมาค้า ข, า, ข, า, ขาแล้วบทสรุปของโลกก็คือสิ่งที่จะต้องต้องมีต้องได้สิ่งที่เราจะทำเป็นเรียกว่าขาดตอบแทนผลจะเรียกว่าเงินเดือนเรียกว่ากําไรถ้าเป็นค้าขายก็แล้วแต่บทสรุปมันก็คือเงินคือสตางค์คงไม่ีใครทางานฟรีนี่คือโลกนะ เรืวค่าตัดแทนโลกเขาก็อยู่กับสตังนี่แหละมีร้อยมีพันนี่เหมือนก็ยกย่องกันว่าอมเสถีมาเสถีเขายกย่องกันนะสมมติว่าคุณยายตอนนี้คุณยาพอพันมีหนึ่งแสนล้านตนนัวนี้คุณยญยพอพันตอนนี้ได้ประโยชน์อะไรกับสตังที่หามาทั้งชีวิตจนวัยแปดสิบห้านี่คือเป็นแสนล้านสมมติ น, นี่คือสตัง น, ะ น, นี่คือโลกแต่ฝ่ายหนึ่งคือธรรมธรรมเขาหาอะไรเขาหาสติมุ่งไปที่สติเนี่ที่พูะเจ้าสอนถ้าเราเรานึกนกึ้นไม่ได้เพราะสติกับสตังมันเป็นของมีค่าในโลกใบนี้มีสองเรื่องแค่นั้นแนหะที่มีค่าแต่สตังมันใช้แปรสภาพ เขรแปรสภาพเราอยากได้อะไรก็เป็นแลกกันมาก็เอาสตังได้เป็นแลกอยากได้รถก็เอาสตังเป็นแลกอยากได้บ้านเอาสตังเป็นแลกเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจว่าใครมีมากสามารถที่แปรสภาพได้มากซึ่งมันไม่เกี่ยวกับสุขหรือทุกข์เลยไม่เกี่ยวกันสติฝฟายหนึ่งสติมีสตังแต่ไม่มีสติต่อให้มีเป็นแสนล้านก็ไม่เหลือทํามีสติทําคือสติ ตอนนี้ฝ่ายสติเราเข้าใจมากนะขนาดไหนส่วนฝ่าโลกเรารู้แล้วเกิดมาต้องเรียนหนังสือคือวิชาเขาเรียกว่าวิชาเหมือนพวกเราทัางหลายเป็นครูาอาจารย์วิชาเด็กๆหรือสิ่งที่เราไ่ายพระอยู่เสมอก็าอาจจะนึกไม่ถึงเลยสองคำที่เป็นคุริสบัติของพส่์ก็คือวิชาและกิจรณะ สัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะแปลว่าอะไรคนดนีดูที่คนมีความรู้คือวิชาจจรณะความประพฤติสาอย่างท้งควคู่กันไปถ้ามีวิชาอย่างเดียวมีความรู้อย่างเดียวต่อจบด็อกเตอร์ต่อไปศาสตราจารย์อย่าเอาเปรียบเอาัะกันอยู่อย่าทุจริตคอร์รัปชันอยู่อันนี้คือมีวิชา เจตจารณ ะ, ะไม่มีความประพฤติไม่มีนี่คือสิ่งที่เราขาดเพราะฉะนั้นฝาโลกเขาเพิ่งวิชาฝ่ายธรรมมคือจารณะความประพฤติเพราะนร้มัต้องควบคู่กันไปและถ้าเรามีลูกบอกหลานเะนี่ยมีวิชาอย่างเดียวไม่ได้นะั้นถ้ามีจารณ ะ, ะด้วยไม่งั้นจะเอาวิชาที่เรียนมาไปเอาเปรียบคนอื่นเขาคิดว่าฉลาดกว่ามีความรู้กว่ามันก็เยอะกว่าไปเอาเปรียบไปฉลาดทุจริตเขารับชันไม่มีที่มา น, นี่คือวิชาจนะสามปนโนนะเมื่อเราเข้าใจสองอย่างโลกกับธรรมทีนี้โลกหรือว่าสตังอยู่กับเราตลอดไปไหมโลกก็บอกอยู่แล้วมันใช้สำหรับโลกนี้แต่ธรรมคือสติมันใช้ต่อถึงโลกหน้ามีความแตกต่างส่วนโลกยุติแค่นี้คือเกิดแกเจ็บแล้วก็ตายแล้วจบละ แล้วต่อจากนั้นน่ะจะอยู่ยังไงคุณมีสตังแต่สตังใช้ไม่ได้ล้วคุณไม่มีสติเลยที่จะไปต่อแล้วคุณจะใช้อะไรเพราะต่อไปล้วต้องใช้สติพาะสตังมันใช้ไม่ได้เพราะนั้นจิตออกจากร่างแล้วมีสติต่นนั้นที่จะครองตัวเองได้ถึงมีรูปอยาอันนี้ใช้ไม่ได้แต่มันยังยึดอยู่มันคือจิตจิตตัว น, นี้มันยังเกาะก็ติดรูป ถ้าเรายังนึกไม่ออกก็เหมือนกับฝันในขณะที่เรานอนหลับนอนตะแคงนอนท่านอนคู้นอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เหมือนมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืออีมิติหนึ่งมันเป็นรูปเป็นร่างเหมือ น, นแต่รูปนั้นเกิดจากจิตมันยึดเรียวอุปาทานภาษาของเราทิฏฐิวิญ ญ, ญาณคือที่ตั้งของวิญ ญ, ญาณมันต้องจะถึงถือไม่มีไม่ได้เพราะสี่ตัวคือเวทนาคือขันหะขันหะคือรูปเวนทนาสัญญาจักขันวิญ ญ, ญาณ รูปบันดับรูปก็คือดินน้ําไฟลมเหมือนกองคุณครูคุณอาจารย์ดินน้ําไฟลมมันดับแต่อีกตัวคือเวทนาที่มันอาศัยร่างอยู่เวทนาตัวยาสังขารนมันไม่ได้ดับมันอาศัยรูปที่เป็นรูปละเอียดอะไรแต่ยึดไปนั่นแหละเรียกว่าพภาวะจิตดวงนั้นเรียกว่าพลังขั้จิตคือจิตที่มันก่อภพก่อยชาติคือเรียนวายแต่เกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ถ้าจิตดวงนั้นไม่มีสติเกิดอะไรขึ้นในนี้ ถ้าพูดง่ายไม่มีทุนคือไม่มีสตางมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีทุนก็คือจิตก็ไม่มีทานก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีคือในดวงจิต ด, ดวงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือเป็นที่มาหรือเป็นที่ไปก็แปลว่าจิตทํามันคิดไม่ดีอยู่กับของไม่ดีอยู่กับสิ่งเวด ล, ล้อที่ไม่ดีมันก็จะไปทางนั้นนะ่ะ ไปเท่านั้นแปลว่าอะไรจิตในขณะนั้นมันนึกอะไรขึ้นมานึกก็คือคิดคุณสมบัติของเขาหน่อยแหละคือจิตตะหรือจินตนาการคืออาการของจิตก็ใช้จินตนาการเช่นนึกถึงควายภาพควายก็ปรากฏนึกถึงสนัสนุสนัขก็าปรากฏอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นภาพออกมาเราจึงเรียกนี่ว่ามโนภาพคือภาพทางใจไม่ใช่ภาพทางตาแต่ตัวนั้นแหละตัวจะพาไป ถ้าเราไม่เคยฝึกจิตเล ย, เยไม่เคยฝึกสติเลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะกําหนดอะไรได้สมมติจิตดวเนี้มันไปอยู่กับลูกกับหลานไปห่วงนั่นห่วงนี่อยู่มันไปเกาะเขาเรียกว่าเกาะจิตดวสุดท้ายจะเกิดสมมติเราเลี้ยงหมาสมมติใครคนที่เลี้ยงหมาอุ้ยน่ารักยังอู้หูตายไปแล้วใครจะไปเลี้ยงหมากูอ่างลำบากแล้วเีนี้จิตไปผูกพันจิติยานจิตจิตต้องระวัง จิตดวงนี้ต้องระวังเพราะจิตดวงนี้มันเคยเป็นมาสารพัดแล้วพวกเราทุกคนมันไม่รู้กี่พหุกี่ชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นจสรุปได้ว่าจิตมันไม่เคยตายเราจึงไม่ต้องไปกลัวตายแต่ตายนันคือธาตุสีทั้งทีมันมันไม่สามัคคีกันมันแยกแยะกันไปดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมเป็นลมแต่ดวงจิตผู้รู้นั้นมันไม่เคยตายไม่ตายมันจะไปไหน จิตดรงนี้ถ้าไปจุติคือเคลื่อนแล้วไปอยู่กับผู้หญิงมันก็เป็นเพศหญิงไปอยู่กับผู้ชายก็เป็นเพศชายไปอยู่กับสัตว์ก็เป็นสัตว์จิตดวงเนี้ยเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นมาทุกอย่างแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพวกบอกแล้วพอกเป็นมาทุกอย่างคพระพุทธเจ้านะสวยชาติมันเป็นทุกอย่างแล้วก็สรุปมาให้เราฟังแค่ห้าร้อยชาติเท่านั้นเอง อันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับธรรมแต่นี้เรามาดูพวกเราว่าการให้น้ําหนักในการดำรงชีวิตอยู่ของพวกเราเราให้น้ําหนักเรื่องโรคหรือว่าเรื่องธรรมเพราะฉะนั้นในวัยที่พวกเราทั้งหลายจองดูแล้วก็คือน่าจะหมดวระแล้วคือเกษียณแล้วนี่ควจะอยู่กับธรรมให้เยอะกว่านี้เพราะเรื่องโลกเราเราสงเคราะห์มาเยอะแล้วเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเราส่ลูกหลานเราสง่งข้อมาเยอะแล้ว เขาอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่งเขาเขาไม่ปล่อยถ้าอยากหดอยากหรอกเขาอยู่ได้วัตถุเอราอให้สิ่งที่สุดให้วิชาให้ความรู้ให้ตัวอย่างแล้วตอนนี้เหลือแต่เราที่จะไปคณะที่เตรมตัวเตรียมตัวเหมือนคุณพ่อพันที่ไปข้างหน้าเพราะว่าอายุไขของพวกเราแต่ละคนคือมนุษย์แต่ละคนมีไม่ได้เยอะนะมาตรฐานก็คือโดยประมาณการก็คือ เจ็ดสิบห้าันอย่างคุณแม่พ่อพัน์เราก็เกินแล้วแล้วก็เลยพุทธเจ้าด้วยอถือนนว่าเก่งถือวใช้ได้แปดสิบ้าพุทธเจ้าเราแปดสิบแต่ว่าเกณฑ์ของมนุษย์จริงคือเจ็ดสิบห้านั่นคือเกณฑ์ของมนุษย์วันนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนว่าหนึ่งพุทธเจ้าสอนความจริงให้เราอยู่กับความจริงนะที่พูดทั้งหมดนี่คือความจริงส่วนใครจะรับได้รับไม่ได้ก็เป็นเรื่องนึ่ง ความจริงที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อเราไหมคืออัตถะเป็นประโยชน์คือประโยชน์วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ชาตินี้ชาติหน้าเป็นประโยชน์อยู่ไหมนั่นคืออัตถะเบลประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ก็ควรจะแสดงหาควรจะกระทําที่สําคัญคือสติฝึกเข้าตัวเองมีสติในชีวิตประจํยาวันเสมอให้อยู่กับตัวให้ก่อนรู้สึกอยู่กับตัวเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือต้องการให้เรานะมีสติ มีสติในอริบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนนี่คือการปฏิบัติไม่ใชการ น, นั่งเราหูเราตาไปวันนั้นวันนี้โน้นเราถือเป็นผู้ปฏิบททัติธรรมปฏิบัติธรรมให้มีสติในอริบทั้งสนะีนั่ยคืยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าอริบที่มันดีที่สุดก็คือนั่งแล้วก็เดินยืนใช้มากไม่ได้นอน เป็นอายวัตที่เราใช้มากที่สุดในบรรดาสี่อาแล้วก็เป็นอายวัตที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยสตังก็ไม่มีสติก็ไม่เกิดเหมือนคุณยาตอนนี้นอนยาวแล้วก็เป็นอายุวัตที่เรานอนยาวทั้งชีวิตอายุตั้งสี่ใชอ้อทเนี่ยนานที่สุดเดี๋ยวกลับไปไปก็ยาวแล้ว พยาวเสร็จก็คือหัวกับเท้าสเริกกันเหมือนกุญยาเนี่ยสตังก็ไม่เกิดสติก็ไม่เกิดคือไม่ได้อะไรได้เฉพาะยังมีลมหายใจตอนนั้นพอรู้ตัวขึ้นมาก็รู้เออมีลมหายใจหรือยัมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนไปเวียนมาอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่พระจะสอนให้พวกเรา ค, คือสติให้เรามีสติในขณะที่เราคิดพูดทําสติใช้ตอนไหนก่อนคิด ก่อนที่จะคิดให้มีสติก่อนที่จะพูดออกไปให้มีสติก่อนก่อนที่จะทําทออกไปนะให้มีสติก่อนนี่ถึงจะได้ผลไม่ใช่คิดไปแล้วโอพไปแล้วพูดไปแล้วทําไปแล้วสติวนกันแต่มันเกิดทีหลังถ้าเรามีสติก่อนที่เราจะคิดก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำนี่แหละคือวิธีแก้กรรม ต้องไปแก้ที่ไหนเพราะกรรมก็เกิดจากสามอย่างกันอันนี้ไปฟังแลหลายคนแลหลายครูอาจารย์ฟังแล้วมันก็เศร้าคือพูดเรื่องกรรมเขาบอกว่ากรรมนั้นมันเป็นโรคพวกเราจริงไหมบอกโอ้มันเป็นโรคกรรมมันแก้ไม่ได้หรอกพวกเราก็ ค, คิดว่าอย่างนี้ถ้าเป็นโรคมันติดต่อกันไหม บรรแพร่เชื้อได้ไหมถ้ากรร ม, มเป็นโรคมันติดต่อโด ย, ยญาติสายเลือดได้ไหมหมายความว่าสมมติว่าคุณแม่ทําไม่ดีคุณพ่อคุณลูกคุณหลานเงี้ยเป็นไม่ดีด้วยกันหมดไหมถ้าอย่างนั้นคุณแม่ทำผิดก็จับเข้าครัดทั้งครอบครัวเลยมันไม่ใช่คือเราเข้าใจผิดกรรมไม่ใช่โรคเป็นปัจเจ ก, กะคือเฉพาะของไข่ของท่าน คือเราคิดเองพูดเองทําเองแต่ลราคนนั่นคือกรรมเดียกายกรรมปจีกรรมวโนกรรมคำว่าวกรรมเพราะท่านเติมคําว่ากรรมขึ้นมาเพื่อหเห็นชัดเจนว่านี่คือกรรมนะเดียวกายกรรมปจีกรรมคือสามทางแค่นี้ถ้าสามารถเรารู้ท่านความคิดเองได้โดยฝึกสติรู้ท่านคําพูดตัวเองสมมติจะพูดหยาบนะแต่ยังไม่ได้พูดนะมีสติเอิญมีคําหยาบนะ ไม่ได้นี่เขาเรียกวคนมีสติข่อสําคัญเขามั้งเราก็จะไม่พูดทําอย่างออกไปหรือทําไม่ดีเออเรากำลังจะทําที่ไม่ดีเนี่ยเราก็มีสติคือเวลาก่อนเราก็ไม่ได้ทําความไม่ดีความชั่วเนี่ยคือมันสามารถที่จะระ ง, งับจัดยังได้ส่วนที่ทําไปแล้วเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้คือเราคิดไปแล้วพูดไปแล้วทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้นี่คื อ, อ ก, รกรรมกรรม รสรุปครับว่าปุจจารบรสสอนเรามีสติคือให้รู้ทันสามอย่างความคิดคาพูดการกระทำแค่นี้เองจะเรียกแก่ทําได้ตอนนี้เราพูดครบสามประเด็นแล้วคือหนึ่งความจริงต่อไปนี้ให้พวกเราอยู่ความจริงนะอย่าไปอยู่กับโลกอย่างเดียวจนตายโดยไม่มีธรรมเลยในเครื่องอยู่นียตายเปล่านะหมดลมหายใจตายเปล่านะ ไปมือเปล่ามามือเปล่าไปมือเปล่าไม่ได้เลยสอก็คือที่พูดทั้งหมดนี้ล้วนแต่ยกเอาของปริชามาไม่ได้พูดตัวเองไม่ได้คิดตัวเองปริชาตัดอย่างนี้พูดอย่างนี้ว่าที่พูดธรรม ท, า, ทานเป็นประโยชน์เออเรารู้แล้วเรื่องโลกไปอย่างนี้นอย่างนี้วิชาจรณะมาทําคู่กันก็ทาให้เป็นประโยชน์สามก็คือทําตัวเองให้มีสติคือฝึกสติเพื่อที่มาใช้ก่อนที่จะคิดหรือขณะคิด ขณะพูดขณะ ร, รมด้วยความมีสติถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็จะเชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตัวชีวัตของผู้ปฏิบัติธรรมคือคนเข้าวัดมีสามอย่างก่อวัดอันนี้แหละวัดความคิดวัดกาบพูดวัดการกระทาถ้าภาษาเราง่ายๆก็คือวัดกายวัดวาจาวัดใจของตัวเอง ไม่ใช่วัดกรองอื่นถ้าใครวัดได้อย่างนี้นั่งอยู่ที่บ้านก็เข้าวัดไม่ต้องมาวัดฟังเทศบาลธรรมจำเส้นภาวนาพอเราวัดกายตัวเองได้วัดปาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองนี่คือวัดจริงๆเรียกข่าวัดยังไม่ใช่วัดสันติธรรมวัดอันวัดนี้อันนี้วัดโดยสมมุติเข้าไปอย่างนั้นแหละถ้าวัดจะได้คือวัดจริงๆอยู่ที่บ้านวัดได้ วัดกายวันเนี้ยวัดกายได้เท่าไหร่วัดวาจาเราได้เท่าไหร่วัดใจเราได้เท่าไหร่นั่นแหะคือวัดจริงๆโราก็ได้ประโยชน์อันนี้เรามีสติแล้วคือแบบโลกเราก็อยู่มาแล้วตอนนี้อยู่กับธรรมนั่งคือด้วยความมีสติวันนี้เราได้ฟังสามอย่างคือเรื่องความจริงก็ให้เรายอมรับความจริงอยู่กับความจริงว่าวันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนกุญแจพ่อพันธมาเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยต่างคนที่ว่า จิตออกจากร่างแล้วเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ที่กรรมการกระทำนั่นแหละอยู่ที่ความคิดกระพูดการกระทำอยู่ที่สติอะพูดยังไถ้าเป็นประโยชน์ก็นำเ อ, อกไปใช้ค่ยควรพิจารณาที่สาคัญคือฝึกสติอยู่เสมอว่าการฝึกสตินั้นมันทำได้ทุกระยะบททำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาทำไมต้องฝึกสติเพื่อให้เกิดปัญญา สุดท้ายให้เกิดปัญญาทุวันนี้เราใช้แค่สัญญาคือความจําได้ไม่รู้แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นปัญญาซึ่งมันไม่ใช่พุทธะต้องการให้เราเกิดปัญญาเหมือนตอนนี้ฟังพูดคิดแล้วคิดได้ด้ยตัเองสรุปได้ตัเองว่าที่พูดทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์มีสาระและเป็นความจรงิงใครพูดอย่างนี้ก็มีสาระมีประโยชน์หมดต่อให้เป็นพระเล็กเด่นน้อ ย, อยหรือครว่าเยอะพูดอย่างนี้ ก็ถือว่าพูดธรรมะถือว่าให้ธรรมะซึ่งเป็ น, นการให้ขอที่มีค่ามากกว่าของมีค่าใดๆในโลกนี้อันนี้คือสารธรรมหรับปากผู้เราเราข้ามคืนวันนี้แต่ก็เป็นคืนสุดท้ายของคุณแม่เราที่อยู่โลกวันนี้ถ้าคนมีปัญญาสมมติว่าแค่คํานี้คำเดียวคือสมมติว่าหลวงพ่อบอกว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย สมรติว่าตัวเราหมอบอกว่าคืนนี้นคืนสุดท้ายของคุณแล้วนะพวกเราจะคิดยังไงวิตกกังวลถ้าไม่เคยคิดถ้าไม่เคยปรองถ้าไมา่เคยคิดไว้ก่อนทําใจไม่ได้คือยอมรับความจริงไม่ได้นั่นเองอันนี้สําคัญนะเพราะนั้นทํางหดทั้บนี้เพื่อพูดเพื่อให้เกิดให้วเรามีสติมีปัญญาที่บอกพวกเราตั้งแต่ต้นว่า ถ้าเราเคารพในธรรมเมื่อกี้เราพูดไปจอดจัดจอดแ จ, จไปมันไม่ได้อะไรเพราะไม่เคารพในธรรมต้องการให้เราเคารพในธรรมไม่ให้ตัวผู้พูดไม่ได้เกี่ยวกันเลยวันที่พูดเลยคือธรรมะที่เคารพต้องการแสดงเคารพต่อพระธรรมมันถึงจะเป็นประโยชน์เป็นสาระขํามเกินวันนี้หวังว่าผู้เราคงรับสาระหรือประโยชน์คือแก่นจริงๆไม่กี่คำไม่กี่ประโยคถ้าเราไปคุ้นคิดพิจารณาแล้ว มันจะได้รับประโยชน์ได้สาระทั้งชีวิตชีวิตเราก็ชื่อว่าไม่ประมาทเราเราก็จะรู้ว่าเออเราจะต้องทําตัวอย่างไรจากนี้ไปจะทํางทำตัวทําตนอย่างไรเกี่ยวกับความคิดคําพูดและการกระทําของตัวเรานี่แหละก็จะได้รับประโยชน์จากสาระโดยการวางทำในวันนี้ขอกุปสงที่เราทําทั้งหมดในวันนี้จะเป็นปัจจัยถึงแต่ดวงวิญญาณของ คุณแม่ผู้ช่ศาสตาจารย์พอพันธรรมม์พม่าผู้รับไปแล้ววันนี้เจ้าภาพหลักก็คื อ, อครอบครัวจันทร์ปัญญาญาติพี่น้องกัลยาณมิตรที่มาร่วมทำบุญที่สูงสนั่นแก่คุณแม่ผู้รับไปแล้วขอกุศลเจตนาที่พระทั้งหลายได้กระทามาเป็นในวันนี้เบื้อต้นจากสัมทานสินเป็นผู้มีสินตั้งใจฟังมีสมาธิฟังและคิดได้คือเกิดปัญญาทั้งสามอย่างนี้เขาเรียกว่าใจเสกขา จึงเป็นภาระวัปัจจัยหนุนส่งให้แก่คุณแม่กูรลงรับเป็นแล้วขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญตามฐานาดูรูป ก, การแสดงธรรมก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาปัจชนี้